การแก้ความเข้าใจพลาดเหล่านี้เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติไปในตัวความเข้าใจพลาดข้อที่หนึ่งความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าต้องได้วิชาสองอย่างแรกก่อนจึงจะ บ, บรรลุอาสวัคยายานคือเข้าใจว่าปุเพนิวาสานุสติยานและจุดตูปปาตยานจาเป็นสาหรับการตัดสรู้กรณีนี้พึงเข้าใจว่า วิชาสองข้อต้นไม่จำเป็นสำหรับการตัดสรุ้คำว่าตัดสรุนี้หมายถึงการบรรลุอรหัตผลหรือการประจักษ์แจ้งนิพานคือพึงเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องได้ปุเพนนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณก่อนจึงจะตัดสรุ้ได้เหตุผลและหลักฐานอย่างง่ายๆคือข้อก่อหลักปฏิบัติตามสํานวนแบบที่หนึ่งบางแห่งไม่มีวิชาสองข้อต้น กล่าวคือเมื่อดำเนินมาถึงฌานสี่แล้วน้อมจิตที่เป็นสมาธิดีแล้วไปเพื่ออาสวัคยายานทีเดียวไม่กล่าวถึงปุเพนิวาส า, านุสติญาณและจุตูปปาตาญาณเลยเช่นในโยธาชิวสูตรที่หนึ่งและโยธาชิวสูตรที่สองอังคุตรนิกายปัญจการนิบาตเป็นต้นแสดงว่าการปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจทาได้ข้อข อ, ขอในสุตรสิมาสูตร สังยุตตนิกายนิทานวักมีพุทธพจน์แสดงไว้ชัดเจนว่าพระอระหันต์ปัญญาวิมุตต์แม้เป็นผู้หลุดพ้นเป็นอิสระแล้วไม่ยึดติดในขันห้าและเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่ก็ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆไม่มีทิพยโสตไม่มีเจโตปริยญาณไม่มีปุเพนิวาสานุสติญาณไม่มีทิพยจักรสุคือจตูปป า, ปาตญาณและไม่ได้สันตวิโมกคืออรูปสมาบัต ผู้สั้นๆว่าไม่ได้โลกิยะอภิญญาห้าและไม่ได้อรูปฌานได้แต่อาสวัคตรย า, ยานอย่างเดียวข้อข อ, ขอการบรรลุอภิญยาหกซึ่งรวมวิชาทั้งสามอยู่ด้วยแล้วไม่ว่าข้อใดๆย่อมอาศัยจิตที่ฝึกอบรมดีแล้วด้วยสมาธิที่ประณีตถึงขั้นเมื่ออบรมจิตมีสมาธิ ด, ดีพอแล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออภิญญาข้อนั้นๆตามประสงค์ คือนำจิตไปใช้เป็นบาดฐานสําหรับสร้างอภิญญาข้อที่ตนต้องการไม่จําเป็นว่าต้องผ่านอภิญญาข้อนี้ก่อนแล้วจึงจะกล้าไปสั่วอภิญญาข้อนั้นได้ดังมีพุทธพจน์ในสังฆสูตรอังคุตรณิกายติกานิบาศแสดงหลักอยู่ว่าด้วยสมาธิที่อบรมดีแล้วเธอจะน้อมจิตไปเพื่อรู้จำเพาะประจักษ์แจ้งซึ่งอภิญญาสัจจการณียธรรมคือทําให้แจ้งซึ่งสิ่งที่พึงทําให้ประจักษ์ด้วยการรู้จักจำเพาะ อย่างใดๆก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรมนั้นได้ในเมื่ออายาตนะคือเหตุมีอยู่กล่าวคือถ้าเธอจำงอิทธิวิทาก็ย่อมถึงถ้าเธอจำงทิพยโสตก็ย่อมถึงถ้าเธอจำงเจโตปริย า, ยานก็ย่อมถึงถ้าเธอจำงปุปเพนิวาสานุสติก็ย่อมถึงถ้าเธอจนงทิพยจักสุก็ย่อมถึงถ้าเธอจนงอาสวัคัย ก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในทำนั้นนั้นได้ในเมื่ออายัตนะคือเหตุมีอยู่สมาธิที่อบรมดีพอที่จะใช้เพื่อการนี้หมายถึงสมาธิขั้นใดได้กล่าวมาบ้างแล้วและจะมีกล่าวถึงในข้อที่สองต่อไปด้วย